พระธรรมเทศนาแผ่นที่106กลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทำความดีบูชาพ่อหลวงนั่งประจำที่คณะทายายิโยมลูกหลาน วันนี้หลวงพ่อตอนเช้าหลวงพ่อจะแจกหนังสือกัะ MP มสนะหลวงพ่อมาแต่ละครั้งก็มีหนังสือแจกแจกคราวนี้คือแจกทําบุญออทอดกรถิน่จนจัดหนังสือขึ้นมาแจกเป็นธรรมทานแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของครูบาอาจารย์ตั้งชื่อว่า รวมธรรมะเลิศกัมเนิดมรคนกัมก เ, กเนิดแทบๆเป็นบ่อกเกิดของมรคนก็คือโอวาทธรรมหลวงปู่มั่นภุริตทตะเถระแล้วก็ธรรมเทศนาหลวงปู่เทศเทศรังสีแล้วก็ธรรมเทศนาหลวงปู่ขาวอนารโยแล้วก็ธรรมเทศนาหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรแต่ข่าวนี้ไม่มีไม่มีของ ของอกหลงตานะอกตาออกหลายครั้งแล้วนะก็เลยเอาของครูบาอาจารย์ออกมาให้พวกกรรคณาัท า, ายาติุกฟังได้ศึกษาว่าเป็นธรรมเทศนาของต้นกาเนิดกาเนิดคือหลวงปู่มั่นนะต้นกาเนิดของจุกนี้สมัยนี้นะและก็พร้อมกันก็มี m p 3แจกเช้านี้สันตุสโกวาดสันตุโนสตโกคือนามฉายาของหลวงพ่อนะ ดตุจโกะนะแล้วก็เป็นคําสั้นๆเป็นคำเป็นคำคมคง่ายๆเนีที่พระนวกกะเน่ยเขาบวชมาในวัดของหลวงพ่อเนี่ยบวชสามเดือนทต่ในเขาบวชมาเขาก็อยากจะทําหนังสือคำสั้นๆโอวาทของหลวงพอ่อหลวงพอ่อเขาคิดว่าบวชเข้ามาทั้งทีแล้วก็ดีดีกว่าจะอยู่เต้นๆด้านๆ ถ้าจะนั่งภาวนากัคงจะกสัพพงกงบกันเมื่อเขาถอดธรรมะ MP3 ของหลวงพอ่อโคงจะเกิดประโยชน์เพราะเขาจะได้ก่อนที่เขาจะฟังเขาต้องฟังให้ดีเขาจึงตัดออกเป็นช่วงๆนะหลวงพ่ออินทร์ว่าที้ว่าจะเกิดประโยชน์คือเอา้าทําได้หลวงพ่อก็เลยอาตมาก็เลยให้ให้พระใหม่นะวะกะเขาทําพอเขาทําเขาก็ทําเก่งอยู่นะได้สองแผ่นนะ ขอให้พวกเราไปฟังรัอผลงานของพระนวักาศนะบวชในพรรษาเขาอัดมาสองแผ่นทีวาเขาตั้งชื่อว่าสาันตสกัวดกับวาวงันนะหลวงพ่อเขาไม่คัดข้องแต่นี้เขาก็ทำเป็นข้อๆทำเป็นช่วงๆอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าเขาย่อมาจากเ p 3ที่สามเขาก็บอกว่าดูก่อนสารีบที่ตถาคต ตร์ไปนี่พูดไปนี่นะ่ะเธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระสงฆ์ก็ฮือฮากันว่าภาษาลิบุตรหัวลั่นหัวตื้อหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัตร์แท้ๆพูดแท้ๆยังไม่ฟังออทั้งที่เป็นว่าอัครส า, าวกพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะถามอีกถามสาริบุตรอีกทําไมสาริบุตรจึงไม่เชื่อ ภาษาในบุตรกลา่าวโทษว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าจะกลา่าวโทษเมื่อภายหลังพระเจ้าข้านี่แหละสง์ทั้งหลายให้ฟังเอาไว้เมื่อเราตถาคตตรัสและพูดอะไรออกไปอย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปกันกรองไตรตองแล้วนําไปปฏิบัติก่อนแล้วจึงค่อยมาเชื่อยังค่อยยอมรับไม่ใช่พูดอะไรให้ฟังแล้วก็เชื่อทั้งหมด นี่แหละเขาจะตัดลักษณะอย่างนี้แหละในเอ็มพสามแผน่นที่พระนวั ก, กะเขาทำาลวงพ่อเห็นว่าเออเกิดประโยชน์เพราะนั้นขอให้คณะสัทธาธญาตโยไ่ไปฟังไปฟังฟังดูนะแต่ตอนเย็นจะมีจะมีแจกอีกแจกเอ3มพสามแต่นังสือเนะ่เต็มเก่านะ่ะเพราะเอ MP 3มพสามของหลวงพ่อทั้งหมดค่าวนี่อจะออกมาประมาณสักสิบสองแผน่นสิบสองแผ่นคือ สันตุสโกว่าใน2แผน่นและก็ชาโดอีก2แผน่นและก็ธรรมเทศนาอีก8แผน่นรวมแล้วจะเป็น12แผน่นแต่ก็ยังไงก็สำนวนก็อย่างหลวงพ่ออินอย่างเก่านะั่นแหละคณะทายาิโยมทุก อ, อ, อย่างพูดยังไงยังไงไปกับสำนวนหลวงพ่ออินแต่ก็มีเรื่องราวที่เข้ามาสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง แล้วก็พูดตามเนื้อเนื้อเรื่องเรื่องราวนั้นๆเพราะนั้นขอให้พวกเราเอาไปฟังเอาไปศึกษาหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวคณะสัตย า, าจ่าโจมออกไปนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าเป็นศีลเป็นธรรมเป็นพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระธรรมคํมค า, ารรคสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นขอให้พวกเราเออกไปฟัง แล้วก็วันนี้เป็นวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อลงมาจากอุราลงมาถึงวัดสวนแสงธรรมแล้วก็ค่ำพอดีและก็วันนี้ก็อย่างที่อาจารย์เจริญได้พูดวันหลวงพ่อจะได้ไปแสดงธรรมที่วัดบวรแต่ตามไม่จริง เรื่องวัดบรวรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋งหัวทรงประชวรอยู่เขาก็นิมนต์คณ ะ, ะกรรมการนิมนต์ขึ้นไปทางหลวงพ่อว่าจะมีการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋งหัวประมาณหกพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ๋งหัวครองราช70ปี แล้วก็อุปครบรอบอุปสมบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหกสิบปีข อ, อนุมน ล, ลงมาอบรมหรือว่าออกมาแสดงทำให้สําหรับพระนวากาที่บวชใหม่ลูกพ่อของในช่วงนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชวนอยู่ธรรมาภาพคงจะมีคงมาเข้ามาแสดงความเคารพหรือว่าแสดง เพื่อจะให้พระไม่ปวดถวายเป็นพระราชกุศลหลวงพ่อก็ไล้รับพ่อรับไม่กี่วันพระ อ, องค์ท่านก็ได้เข้าสู่สวรรค์าคารายแต่ก็ยังโครงการนี่ก็ยังไม่ไม่ปิดนะหลวงพ่อก็เด้รับแล้วก็ได้ลงมาในวันนี้หรือวันวันนี้และจะได้ไปพบไปเจอกับพระนวกกะที่วัดบวร ที่ลงมาในคราวนี้ครั้งนี้เด่พอลงมาแล้วก็วันเสาร์ก็คงจะไปฉันที่จิตโภชนาปากอย่างทีาจารเจรญรนพิพูดและก็วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาก็คงจะได้มาทำบุญอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาที่สวนแจ้งธรรมของพวกเราอย่างที่พวกเราทำทุกปีทุกเดือนที่ผ่านๆมาอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อลงมาคราวนี้ครั้งนี้ กพร้อมกันหลวงพ่อไม่ไ่าอยู่ในชนรบไม่ชั่วยอยู่ในกรุงเทพก็เห็นพี่น้องประชาชนติดโบไว้ทุกแล้วก็ใส่เสื้อดำาก็นทั่วทุกลุ่มเมืองของกลุงที่กรุงเทพที่ประเทศไทยนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือเป็นที่รู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพวกเราที่เป็นที่ท่านเป็นร่มโพร่มไทรของพระศกนิกร พ, กพุ่นนาพระองค์ก็ได้เข้าสู่สวรรค์คาลัยแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ไหวทุก เ, เพื่อบูชาเพื่อน้อมลำนึกถึงพระคุณของท่านแต่ตามพระจริง่งพระ อ, องค์ท่านคลองลาดมา อ, อ, อย่างที่เขาพูดในจดหมายเาว่าเจ็ดสิบปีแล้วก็พระ อ, องค์ท่าน ทำคุณโนประการให้กับประเทศชาติมากมายเมือ่อท่านเป็นเป็นพ่อของประเทศมาทั้ง70ปี เ, เมื่อท่านครองราชย์ขึ้นมาท่านก็มองว่าจะทำยังไงจะเอาอะไรมาพัฒนาประเทศชาติเมือ่อเราเป็นพ่อบ้านลักษณะอย่างนั้นหรือเจ้าอาวาสอย่างนั้น เ, เมื่อเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาก็ต้องมองว่าจะเอาจะทำยังไงวัดของเราจึงจะเจริญรุ่งเรืองจึงจะเป็น เข้ามาปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นศีลเป็นธรรมถึงจะเป็นธรรมวินัยถึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนลักษณะเช่นนั้นคื อ, เ, อเป็นเจ้าอาวาดก็ต้องได้คิดนะในเมื่อเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องคิดเหมือนกันเราจะพัฒนาบ้านของเราอย่างไรครอบครัวของเราอย่างไรในสามีภรรยาลูกหลานของเราจึงจะเป็นพึกแผ่นขึ้นมาอันนี้ควรเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกัน อดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นเป็นพ่อของประเทศนะใช่ไหมเมื่อพ่อของประเทศท่านก็ต้องมองอย่างอย่างนี้ท่านก็มองกว้างของพวกเราพวกเราก็มองแคบๆใช่ไหมเจ้าอาวาสก็มองแต่วัดตัวเองครอบครัวพ่อพ่อบ้านก็มองแต่ในครอบครัวของตนเองแต่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมองอทั่วประเทศเทศประเทศชาติของเราจะพัฒนาอย่างไรพระองค์ก็เห็นนะโครงการพระราชดำริที่นี่ มีมากมายน ะ, ะาสตา ญ, ญาติหวมลูกหลานนับไม่ถ้วนถ้าว่าพวกเราจะนั่งมานับกันถึงจะอ่านหนังสือนับก็บเถอะหลงพ่อองไม่ได้ฉันจะฉันวันนี้นะมากถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพระคุณของพระองค์ท่านมากมายเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราหย้อนลำลึกถึงพระคุณของท่านพวกเราพวกเราตัวหายใจเข้าหายใจออกก็ได้พึ่งพาอาศัยพระบารมีของพระองค์ ทำมาจะพูดอย่างนั้นเอาคิดดูสิไฟฟ้าเออเขื่อนภูมิพลไฟฟ้าเขื่อนชลิกิตน้ำเออเขื่อนภูมิพลน้ำเขื่อนชลิกิตน้ำที่ไหนไหนเป็นพระราชดลริของพระองค์ทั้งนะั้นพวกเราอาบน้ําหยดหนึ่งก็ใช่ใช้น้ําหยดหนึ่งก็ใช่คือเป็นโครงการพระดดราชดลิิตปุญคุณของท่านนะเราเปิดไฟขึ้นมาเดี๋ยวนี้แสงสว่างขึ้นมานี่ เป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ให้ทำเป็นเคือเอ่อนไฟขึ้นมาถ้าจะไล่เรียงลำดับไปแล้วนะ่ผู้มีปัญญามากย่อมระลึกถึงพระคุณของท่านใดมากถ้า ผ, ผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกถึงพระคุณของท่านใดน้อยถ้าผู้มีถ้าผู้มีไม่มีปัญญาโง่เง่าเต่าตุนก็ระลึกถึงพระคุณท่านไม่ได้อันนี้เราไม่ว่ากันเพราะมันโง่นะ พอมันโง่คือมาและลึกถึงบุญคุณใครไม่ได้ทั้งหมดเพือเอยังดูถูกเหยียดหยามอีกต่างหากไม่เพราะอะไรเพราะเขามองไม่เห็นฮะแต่ผู้มีปัญญามากจะต้องฉันรเสรผู้มีผู้มีพระคุณอย่างพระพุทธเจ้าพึ่เมือกันอันนี้หลวงพ่อยกมาในพระไตรปิฎกนะอยู่ในพระไตรปิฎกท่านก็พูดว่าผู้ใดผู้มีปัญญาและลึกฉันเสน อิติปิโสภรกว า, ารัางสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสวดอธิบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งฌานก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุอะไรเพราะผู้มีปัญญาสนรเสริญพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อโลกอย่างไรต่อยุคที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระธรรมคําสอนออมีพระมีพระคุณมีคุณค่าอย่างไร พระโสดาพระสัคตาพระอนาคาพระอาราหารันผู้ที่นับใจ น, นับถือพระไตรสารนคมผู้ที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลอุบโบสถผู้ที่มุ่งมั่นในศีลในธรรมแต่ละข้อแต่ละบ ท, แ ต, ะบทแต่ละบาทของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรยายในมุมไหนแง่ไหนในพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมคขันนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เกิดมาพบหน้าชณนะอธิบายต่อเด็กก็ยังไม่จบอีกเพราะอะไรเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้ามีมากนะแต่ถ้าว่าเป็นอย่างเทวทัตเนี่ยเทยวทัศน์มองไม่เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้านะมีแต่จะฆ่าพระพุทธเจ้าอิจต่างหากและจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าอิจต่างหาผลที่สุดโนคะ้งสุดท้ายนั่นแหละเน่ยโค้งสุดท้ายแผ่นดินสูบลงไปถึงคอจึงลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอุปการต่อโลกต่อข้าพเจ้าขอพออระองค์โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินนะอันนี้ก็คือพระเทวทัตเพราะฉนั้นพวกเราอย่าอย่าไปนับถืออย่าไปยึดแนวแถวของเทวทัศเถอะนะให้ยึดแนวแถวพระอริยสาวกที่ระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้านะจะเลิศประเสริฐกว่าจะมีความสุขใจกว่ามท่านทําคุณอุปการให้กับ โลกอย่างไงพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราก็เหมือนกันทําคุณองคการให้กับประเทศชาติเ อ, อขนาดไหนทั้งพระพรมราชินีด้วยพระบรมวงศารุวงที่ท่านออกช่วยประจกนิกกรมั่นร า, ายมาไม่มีที่สิ้นจุดแต่ละวันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านแต่พระองค์ต้องการอะไรจากพวกเราทีนี้แต่ลุงพ่อเขาไม่บอกว่าคงไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่า พวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีในในคนในประเทศชาติให้มีรักกันเไว้เมตตากันเอาไว้มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเอาไว้คนในชาติคืออย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละพ่อแม่ของเราเนี่ยถึงพ่อแม่จะล่วงล่วงรับดับขันไปแต่ในใจของพ่อแม่ท่านก็อยากจะเห็นลูกพ่อแม่ตายไปแล้ววน่ยอยากจะเห็นลูกมีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน อันนี้ก็เหมือนกันพระองค์สงบเข้าสู่สวรรค์นาคาไรไปแล้วนะท่านก็อยากจะเห็นคนในชาติของเราเนะี่ยมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีต่อกันคุณจะควรจะมีเมตตาต่อกันอันนั้นนะพระองค์มีจุดพระประสงค์ต้องการอยากมากหลวงพ่อว่านะ่ะอยากจะให้ประสบในกนรร่มเย็นเป็นสุาะพระ อ, องค์ยังทรงพระชนอยู่ ตรัสออกมาคำใดพูดออกมาคำใดก็ไม่อยากจะให้กี่นอง้งประชาชนคนในชาติมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยขอให้พวกเราคณะสัตยาธิษฐโยมลูกหลานคนในชาติทุกๆท่า น, นาที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ได้ทากรรมดีไว้ในอดีตชาติจะได้มาเกิดในยุค ข, ของพระ อ, องค์ แต่ปัจนนี้พระองค์ก็ได้จา ก, จากพวกเราไปแล้วพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีเพื่อบูชาพระคุณของท่า น, นแล้วก็พวกเราก็ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปอีกต่อไปในอนาคตตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่าง ย, ย, ยิงย่งองค์หลวงตามหาปัวของเราเนี่ยตายแล้วไม่สู่เนี่ตายแล้วเกิดอีกนีลูกหลานนะ ให้ประกอบคุณงามความดีนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไวนะ้นให้ทานรักษาสิ่งจรินสิ่งไหนที่มันไม่ดีใสิ่งไหนที่มันชั่วชา้าเลวทรามอย่าไปคิดอย่าไปทาอย่าไปพูดในเรื่องนั้นๆให้ประกอบคุณงามความดีคิดดีแล้วก็ทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขมีแต่สุขกายสุขใจถ้าพวกเราคิดดีทำดีเออโดยในทุกริยบทยืนเดินนั่งนอน แต่เอาเถอะบางครั้งมันก็เผล่อไผไปเป็นธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ถึงยังไงก็อย่าให้มันถนล่มไปจนมากเกินไปไม่ใช่ว่าโกรธให้ก็โกรธทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชาติเหมือนกับตัวเองจะตายไม่เปลี่ยนเหมือนกับเขาตายไม่เปลี่ยนลักษณะอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักว่าอันไหนอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้อ ง, อ, งอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นศิษยานุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นศิษยานุสิธย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ประกอบคุณงามความดีนั้จะตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มีข้อหนูประการต่อพวกเราทุกลมหายใจเข้าออกไปน่าจะานที่ใดเห็นไหมไฟฟ้าก็ยังจุดตลอดเอ ลมหายใจเข้าหายใจออกไฟฟ้ากัสว่างก็คงเนี่ยเป็นโครงการพระราชด ำ, ดำริของในหลวงและกันน้ำพวกเราไปใช้น้ำว่า น, น้ำมาจากเขื่อนพวกนคนเขื่อนที่ศิริกิจนะมันไหลลงมาเป็นเขื่อนไหลลงมาเนี่นี่แหละล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติคนในชาติทั้งหลายแต่เราจะบูชาพระคุณท่านอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวควรประกอบคุณงามความดี อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดดีทําดีพูดดีนั่นแหะคือเป็นการปฏิบัติบูชาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์คงอย่าปลื้มปีติในประสบในกรของพระองค์นะถ้าพวกเราทําปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าว่าพวกเราคิดชั่วทําชั่วมีแต่เรื่องจุ่งเยิงวุ่นวายพระองค์ก็ไม่คงไม่สบายพระไทยกับพวกเราอีกเหมือนกันนั่นแหะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกตกทันนะพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ ว, ด, ว, ด, รรวดีชั่วผิดถูกรู้ไหมถ้าเรารู้ว่าดีชั่วผิดถูกเราก็ควรจะประกอบแต่คุณงามความดี ใ, ในสิ่งที่มันดีนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรในตนนี้เนาะ